สติปฐานสี่ภาคปฏิบัติหลวงปู่เทศเทศรังสีเคยเทศให้ฟังว่าสมาธิในฌานมันโง่จิตสงบนิ่งและไปรู้ในสิ่งสิ่งเดียวความรู้อื่นไม่เกิดขึ้นแต่สมาธิในอริยามรรคเมื่อจิตสงบลงไปนิดหน่อยความรู้ความคิดมันจะผุดขึ้นผุดขึ้นอย่างกับน้ำผุ อันนี้คือสมาธิในอริยมรรคสมาธิในอริย ม, มรรคตามความหมายของหลวงปู่เทศนี่พอจิตสงบลงไปนิดหน่อยมันเกิดวิตกวิตกก็คือความคิดวิจารณ์ก็คือสติที่รู้พร้อมอยู่ที่จิตเกิดความคิดทีนี้เมื่อจิตมีวิตกวิจารณ์มันปล่อยไปตามธรรมชาติของมันในเมื่อจิตเริ่มจะมีสมาธิมั่นคงขึ้นมามันจะเกิดปีติ เกิดความสุขเกิดความเป็นหนึ่ง 1. คือจิตรู้อยู่ตรงที่จุดที่เกิดความคิดเท่านั้นแต่จะไม่วิ่งตามความคิดถ้าหากว่าในขณะใดที่มันวิ่งตามความคิดไปถ้าจิตรู้อยู่ตรงจุดที่เกิดความคิดไม่วิ่งตามอารมณ์ที่เกิดความรู้ขึ้นมาเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน แต่ถ้ามันวิ่งไปวิจาร์เรื่องความคิดนั้นเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในช่วงที่เราปฏิบัติกาหนดรู้จิตอยู่นั่นมันย่อมมีสุขมีทุกข์มีไม่สุขไม่ทุกข์จิตไปกําหนดรู้สุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานในช่วงใดที่เรารู้สึกว่ากายของเรายังปรากฏอยู่ คือจิตกับกายยังสัมพันธ์กันอยู่เราก็รู้ว่ามีกายมันก็เป็นกายานุปัสนาสติปัฏฐานในเมื่อจิตปล่อยวางหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่กายยังปรากฏอยู่มันวิ่งเข้าหาลมหายใจมันเอาลมหายใจเป็นอารมลมหายใจมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับกายมันก็กายานุปัสนาสติปัฏฐาน ถ้ามันวิ่งตามลมเข้ามาสว่างอยู่ใน่ํำกลางของร่างกายมันรู้อวัยวะภายในหมดทุกสิ่งทุกส่วนมันก็กายานุปัสสนาสติปัฏฐานพอมันทิ้งกายนี้ไปไปอยู่เฉพาะตัวมันนิ่งสว่างรู้เตื่นเบิกบานมันก็จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานและในบางครั้งมันไปนลอยเด่นอยู่เหนือในที่ว่าง จะรู้สึกว่าในจักรวาล น, นี้มีแต่จิตของเราดวงเดียวเท่านั้นถ้ามันเป็นจิตสมถะฌานสมบัติมันก็ได้แต่นิ่งสว่างเรื่อยไปแต่ถ้ามันจะเกิดวิปัสสนามันไปนลอยเด่นอยู่เหนือโลกมันมองลงมาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างภายใต้ความสว่างของจิตแต่มันจะสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นภาษาสมมติบัญญัติสิ่งรู้ไม่มี ทำไมในช่วงนั้นมันจึงไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งอะไรแต่มันรู้ได้เพราะมันไม่มีอาการความคิดที่ไม่มีอาการความคิดเพราะไม่มีเครื่องมือจิตนี่ถ้ามีแต่จิตดวงเดียวมันคิดไม่เป็นแต่มันรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้เมื่อมันย้อนกลับมาสัมพันธ์กับกายเมื่อไรเมื่อนั้นมันจะเกิดความคิดขึ้นมาตอนที่มันรู้อยู่เห็นอยู่เฉยๆเนี่ย สมาธิในขั้นสมถะกรรมฐานแต่เมื่อมันรู้เห็นแล้วมันสามารถบันทึกข้อมูลต่างๆเอาไว้ได้พอมันถอนออกมาแล้วมันจะเกิดความคิดพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นนั้นซ้ำเติมอีกทีหนึ่งเรียกว่าเจริญวิปัสสนา